สิกขาบทที่8ถามทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อนั่งมองดูที่นั้นๆในละแวกบ้านตอบเพราะเรื่องที่พวกภิกษุฉับพัก ค, คีนั่งมองดูที่นั้นๆในละแวกบ้านในสิกขาบทที่8นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานหนึ่งสมุดฐานคือ